กล่าวสรุปถึงนามนี่นะปัจจัยของรูปปัจจัยของนามปัจจัยของรูปธรรมทั้งหลายก็กรรมจิตอุตโตะและอาหารอนี้ง่ายดีเนาะถ้าปัจจัยของนามล่ะก็แบ่งออกเป็นสองคือสาธารณะกับอาสาธารณะสาธารณะแปลว่าทั่วไปปัจจัยที่ทั่วไปของนามธรรมทั้งหลายคือทวารและอารมณ์ ทวารเป็นที่ไหลเข้าไหลออกแห่งจิตอารมณ์เป็นที่จิตท่องเที่ยวล่องโลดแล่นไปเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆตามทวารต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายส่วนปัจจัยที่ไม่สาธารณเนี่ยนะก็มาแบ่งจิตโดยชาติต่างๆก่อนชาติกุศลชาติอกุศลชาติวิบากและกิริยาชาติกุศลมีอะไรเป็นปัจจัย จักสี่เป็นปัจจัยคือไล่ดังนั้นนะจริงๆถ้าไล่มาให้ดีก็คืออดีตปุมีปุปเพกตัตปุญญาตาความที่เขามีปุเพกัตปุญญาตาเขาจึงได้เกิดในประเทศถิ่นฐานที่สมควรเมื่อได้เกิดในประเทศที่ถิ่นฐานสมควรแล้วเขาได้มีโอกาสคบสัตว์บรุษได้พบสัตว์บรุษเมื่อมีโอกาสพบสัตว์บรุษทั้งหลายเขาจึงได้ฟังธรรม เมื่อเขาฟังธรรมแล้วนะการฟังธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทําให้เขามีโยนิสโสมานัสิกังอย่างข้อความในอวิชชาสูตรตันหาสูตรที่พระองค์ตรัสว่าโพชอชองทั้งหลายนะหรือวิชาวิมุติก็มีอาหารใช่ไหมถ้าพูดถึงระดับคุณธรรมระดับสูงเนี่ยนะวิชาวิมุติก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุติกล่าวว่าโพชอชองเป็นอาหารโพ่ชองเจ็ที่สมบูรณ์เนี่ยนะ ย่อมนำมาซึ่งวิชาและวิมุตแล้วอะไรเล่าเป็นอาหารของพชชงเจตบอกว่าสติปัฏฐานสี่เป็นอาหารของพชชงเจตอนนะสติปัฏฐานสี่มีอะไรเป็นอาหารท่านบอกว่ามีสุจเรศสามกายสุจรรตวิจีสุจเรศมโนสุจเรศเป็นอาหารของสติปัฏฐานสสุจริสามก็มีอาหารอะไรเล่าเนอเป็นอาหารของสุจริสรมาม อ, อ, อ, อินทสียงวอน อินทรีสังวรเป็นอาหารของสุจิตสาแล้วอะไรเป็นอาหารของอินทรีสังวรนะสติสัมปชัญญะแล้วอะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะโยนิส <on> มนัิการอะไรเป็นอาหารของโยนิโสมนัิการวความที่เป็นผู้มีศรัทธาทาไมเขาจึงมีศรัทธาเพราะเขาโยนิโสมนัสการเพราะเขามีการฟังธรรมเมื่อเขาฟังธรรมที่บริบูรณ์ทำให้เขามีศรัทธา เมื่อมีศรัทธาเข้าจึงโยนิสโสมนาสิการโยนิสโสมนาสิการน้อมไปในทานกุศลบ้างน้อมไปในศีลกุศลบ้างน้อมไปในสมถะและวิปัสนาเป็นต้นบ้างนั้นนี่สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมันถ้าไล่ให้ละเอียดถอยหลังไปอีกว่าแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้เขาฟังธรม ร, รมละ่ะก็ครบสั์บรุษอะไรเป็นปัจจัยให้เขาได้คบรบสัตว์บรุษเขาก็อยู่ในประเทศที่สมควรทําไมเขาจึงได้อยู่ณนะที่นั้นนั้นละ่ะ นนะเพราะว่าเขามีบุญเก่า น, นะมีปุเพกตกปุญญาตาเป็นผู้มีบุญอันสั่งสมไว้แล้วอะไรเป็นเหตุให้เขาได้ทําบุญแต่ปางก่อน <Okay. S 1> อัตตะสัมมาปณิธิเพราะเขารู้จักตั้งจิตเอาไว้โดยชอบเขาได้ตั้งจิตเอาไว้อย่างที่เราไปสวดไปสรนเสริญพระพุทธคุณแล้วตั้งความปรารถนาใช่ไหมขอให้ได้เกิดในสถานที่ดีได้ครบพระพุทธเจ้าได้ฟังพระสัตธรรมของพระองค์ น, นะเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือความ อัตสัมมาปฏิธิเป็นการตั้งความปรารถนาโดยชอบประกอบด้วยธรรมเป็นการตั้งความปรารถนาที่น่าสนับสนุนส่งเสริมการตั้งความปรารถนาเหล่านั้นเป็นปัจจัยอย่างดีของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วปัจจัยของอกุศลล่ะก็นยะเดียวกันใช่ัหมเรากล่าวว่าภวะตันหาก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของภวะตันหาอาวิชาอาวิชาเป็นอาหารของ ภาวะตันหาแล้วอะไรเป็นอาหารของอวิชชาเล่านิวรห้าแล้วอะไรเป็นอาหารของนิวรห้าทุจริตสามอะไรเป็นอาหารของทุตเจริญสาม อ, อะไรเป็นอาหารก็เพราะไม่สัมรวมอินทรีย์ทำไมไม่สัมรวมอินทรีย์ละ่ะก็ไม่มีสติสัมปชัญญะทำไมอ่ะก็เจริญสติสัมปชัญญะซะสิไม่ได้เพราะไม่มีโยนิโสมนัิการก็โยมนิโสเอาสิไม่ได้เพราะไม่มีศรัทธา เอาทำไมไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ฟังทำอะไรเลยแล้วผ่านหูล่ะตอนนี้เหมือนกันนะไ อ, ไอ้ผ่านหูเฉยๆก็ถือว่าไม่ได้ฟังเนาะอันนั้นเอาแล้วทำไมไม่ฟังล่ะก็ไม่ครบสัตบุรุษทำไมไม่ครบสัตบุตรเพราะว่าไปเกิดในที่ที่ไม่สมควรถึงเกิดในที่สมควรก็หนีไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควรต่อไปนะนะทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีปเกเพกตะปุญญาตา ไม่ได้สั่งสมบุญอะไรไว้เลยไม่มีการตั้งจิตเอาไว้โดยชอบธรรมเลยมันพวกนี้ตั้งจิตสแสวงหาเหตุแห่งบาปสแสวงหาเหตุแห่งอกุศลอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายปัจจัยแห่งวัตตะทั้งหลายแล้ววิบากการเกิดขึ้นณนพบพูมต่างๆอะไรเป็นเหตุให้เกิดตามที่ต่างๆให้ปฏิสนธิอย่างลงในนรก ให้ปฏิสนธิอย่างลงในเปรตในเดรชานในโมมนุษย์และเทวดาพรหมโลกอะไรเป็นเหตุให้ปฏิสนธินะที่นั้ น, น, นกรรมกรรมกุศลกรรมทั้งหลายให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์รูปปัจฉันารูปปัจฉันทั้งหลายทําให้เกิดในสุคติพรหมโลกอกุศลกรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยให้เกิดในโรกเปรตอสุรกายและเดรชานทั้งหลายอันนี้เป็นปัจจัยแห่ง วิบากนั่นะวิบากที่จะเกิดขึ้นเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยแล้วอะไรเล่าเป็นปัจจัยแห่งกิริยาก็คือผวังทั้งหลายอย่างอาวัชนะจิตในปัญจทวารที่จะเกิดขึ้นมีอะตีตะอะติตาวังเป็นอนันตระปัจจัยให้เป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยเป็นนัตถิปัจจัยเป็นวิคตะปัจจัยให้แก่อาวชนะทั้งหลายอะตีตาผวังที่ดับไปเป็นปัจจัยที่สําคัญต่ออาวัชนะ ทั้งปัญจทวาราวัชนะและมโนทวาราวชนะผองเราทั้งหลายมีชาติกิริยาอยู่สองดวง น, นั่นคือปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะที่เหลือไม่บุญก็บาปไม่บุญบาปก็เสวยผลบุญผลบาปก็สลับละเค้ากันไปอย่างนี้อันนี้เป็นปัจจัยของอะไรของกิริยาทั้งหลายเพราะกิริยาทั้งหลายก็มี รวังเป็นปัจจัยส่วนธรรมะหอย่างมีกรรมเป็นต้นคือกรรมจิตอุตุและอาหารนี้เป็นปัจจัยแก่รู ป, ปรธรรมในปัจจัยสีอย่างนั้นกรรมที่เป็นอดีตนั่นเทียวเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีกรรมเป็นสมุธฐานนะเพราะนั้นอย่างรูปที่มีกรรมเป็นสมุธฐานเช่นอะไรเช่นตาหูจมูกลิ้นกายและใจหัตะเนี่ยนะภาวะ ภาวะรูปชีวิตรูปสิ่งเหล่านี้อาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยเช่นว่าถ้าตาบอดแล้วเนี่ยไปเที่ยวทาบุญจุดประทีปแสงสว่างแล้วตาจะสว่างคืนได้ไหมนะทถ้าตาแตกหมดแล้วยางไงทาได้ไหมไม่ได้เพราะว่ากรรมในอดีตชาติเป็นปัจจัยให้มีตาในชาตินี้มันถ้าจุดแสงสว่างประทีปให้สว่างสว่นอนแหละจะรอสว่างอีกทีก็าชาติหน้านานแหละ ว่าหูก็เหมือนกันนะหูเนี่ยอาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้จะทำบุญด้วยเสียงอันไพเราะขนาดไหนถ้าหูหนวกไปแล้วก็หมดสิทธิ์ทีนี้ต่อไปนะว่ากรรมในอดีตเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีหูบันกรรมในปัจจุบันเนี่ยที่ทำอยู่ก็เป็นปัจจัยให้มีหูในอนาคตจมูกในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผลของกรรมในอดีตบัญกรรมในปัจจุบันก็ทาให้มีจมูกในอนาคต กรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้มีลิ้นในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันเพื่อให้มีลิ้นต่อไปในอนาคตร่างกายของเราส่วนที่เป็นกรรมมชรูปเกิดจากกรรมในอดีตกรรมที่ทำใหม่เป็นปัจจัยให้แก่กรรมมชรูปคือกายที่จะมีต่อไปในอนาคตหะไทยทั้งหลายเกิดจากกรรมในอดีตภาวะรูปก็เกิดจากกรรมในอดีตอิทธิภาวะปุริสภาวะก็เกิดจากกรรมในอดีตเป็นปัจจัย ชีวิตรูปก็อาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจนะัยถ้าชีวิตตินทรีย์แตกดับทําลายแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมจะทําบุญยังไงก็ไม่ไม่ฟื้นเหมือนกันถอถ้าชีวิตติณรียดับจริงๆอันนี้ลักษณะของกรร ม, มชรูปเป็นอย่างนี้ส่วนจิตที่กําลังเกิดเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานแปลว่าจิตในอุปาทขณะจิตในอุปาทขณะเว้นทวิปัญจวิญญาณจิตสิบ จิตในอุปาทขณะทุกดวงเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนะเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานในอุปาทขณะเลยนะแม้แต่ภวังขจิตที่เกิดขึ้นก็ทําจิตตชโรปแต่ทําจิตตชโรปสามัญเช่นอะไรบ้างสามัญหายใจอยังไงนะจิตตชโรปเกี่ยวกับการหายใจทําให้เลือดไหลเวียนเป็นต้น ถ้าลองจิ ต, จตมันไม่เกิดสิหัวใจยังปั๊มอยู่ไหมหัวใจก็เลิกปั๊มถ้าหัวใจเลิกปั๊มระบบไหลเวียนของเลือดยังเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเหล่านั้นเหล่านั้นที่เกิดขึ้นถือว่ามีผลต่อหัวใจทําให้หัวใจปั๊มทําให้ลมหายใจเข้าออกระบบการไหลเวียนของร่างกายก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าชาวนาจิตก็ก็ทําจิตแตรูปแรงกว่าในภวังคจิตถ้าโทสามูลจิตเกิดขึ้นยิ่ง โอ้ oh, หัวใจนี่เต้นแรงมากเลยนะเริ่มผิดปกติใช่ถ้าเต้นมากเต้นมากกลายเป็นโรคหัวใจไปเลยอนนะเพราะมันประทุสร้ายที่อยู่นะโทสะนี้เผาที่อยู่ของมันเองวันจิตในอุปาทคณะนะนะเวนทวิปัญจาวิญญาณจิตทมจิตตะชโรบแต่จะกล่าวโดยละเอียดพิสดารอีกครั้งก่อนที่จะถึงอุทยพยาญาาจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะเสพคุณเสพคุณไปก่อนนะนะให้ได้ยินผ่านหู สังเกตอย่างหนึ่งนะว่าคำพีเนี่ยท่านจะไม่ยัดเยียดอะไรทีเดียวถ้าถ้าดูตามลักษณะคำพีนะท่านจะเริ่มให้เราคุ้นเคยเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดท่านก็จะวางละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นโดยลำดับอันนี้เราก็ฟังนะท่านก็ให้ในเอาไว้หน่อยว่าอุปาทขณะของจิตนี้ทำให้เกิดจิตตะชรูปจิตตะชรูปที่เกิดขึ้นก็อวินิโผครูป8 บางครั้งก็มีเสียงเกิดร่วมด้วยบางครั้งก็มีวิญญาตเกิดร่วมด้วยบางครั้งก็มีวิกาล ร, รูปเกิดร่วมด้วยส่วนอุตุและอาหารเป็นปัจจัยในถีติขณะคือขณะที่ตั้งอยู่แก่รูปที่มีอุตุเป็นสมุทฐานและรูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานเนี่ยนะตรงๆนะนะตัวอาหารไปสร้างอาหารชรูปอุตุสร้างอุตุชรลภคำว่าอุตุเป็นชื่อของเตโชธาที่อยู่ในกราบาต่างๆ เตโชธาที่อยู่ตามกราบต่างๆกลุ่มต่างๆนั้นเป็นปัจจัยแก่อวินิ婆โโครูปทําให้อวินิ婆โโครูปเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอุตุสมุธฐานอาหารที่บริโภคกินดืม่มเคี้ยวลิ้มเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีอาหารเป็นสมุธฐานรูปที่เกิดจากสมุธฐานสี่เกื้อกูลอุปธรรมค้ำจุนแก่กันและกันช่วยเหลือแกนะ่กันและกันนะกรรมเชื้อโรคอุปธรรมจิตตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูป จิตตชรูปก็อุปธรรมอุตตูชรูปอาหารเชรูปและกรรมมาชรูปอาหารชรูปก็อุปธรรมแก่กรรมมาชรูปจิตตะชรูปอุตตูชรูปอุตตูชรูปก็อุปธรรมแก่กรรมมาชรูปจิตตะชรูปและอาหารชรูปเสียงเหล่านี้เกื้อกูลอุปการะช่วยกันและกันกายนี้จึงดำรงอยู่ได้กายนี้จึงเป็นไปได้เนี่ยนะอยู่ได้กี่ปีดีบางคนก็ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสิปีบ้าง20่ <California ICEOVER. simult an> <vana> สิบห้าสิเจ็ดิบแปดสิบร้อยปีเขามี เกินกว่าร้อยก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนักนะเพราะว่าเกินร้อยแล้วท่านบอกว่าอีกหน่อยก็อีกหน่อยก็ล้อมใหม่สร้างใหม่แล้วกรร ม, มชัรูปก็เกิดใหม่เว้นแต่พระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านบอกว่าโอ้ปลงภาระสักทีนึงเนี่ยนะปลงภาระเลิกสร้างภาระเลิกสร้างขันห้าสักทีหนึ่งนั้นผู้ที่กําหนดปัจจัยก็ดังที่กล่าวไปเนี่ยนะกล่าวไปถึง ปัจจัยของนามและของรูปปัจจัยของนามคือสาธารณะอาสาธารณะปัจจัยของรูปก็คือสมุทฐานสี่สมุทฐานสี่พระโยคาวจรผู้นั้นครั้นเห็นความเป็นไปตามปัจจัยแห่งนามรูปอย่างนี้แล้วก็ย่อมพิจารณาเห็นว่านามรูปนี้ในการละบัตินี้เป็นไปตามปัจจัยฉันใดใช่มชาติเราชาติปัจจุบันนี้ นามทั gamer, ้งหลายก็เป็นไปตามสาธารณปัจจัยอาสาธารณปัจจัยรูปทั้งหลายก็เป็นไปตามสมุดฐานสี่ฉันใดในอดีตชาติที่ผ่านมาชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่านามรูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะนามก็เกิดจากสาธารณปัจจัยและอาสาธารณปัจจัยรูปทั้งหลายก็เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารพบหน้าละชาติหน้าพบหน้าชาติหน้าของสัตว์ทั้งหลาย นามทั้งหลายก็เกิดด้วยสาธารณปัจจัยและอสสาธารณปัจจัยรูปทั้งหลายก็เกิดด้วยสมุทฐานสี่สังสารวัฏก็ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้จึงไม่สงสัยเรื่องรูปนามในอดีตชีวิตในอดีตไม่สงสัยเรื่องรูปนามขันห้าในอนาคตไม่สงสัยในรูปนามขันห้าในปัจจุบันพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าในอดีตก็กองทุกนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นอดีตชาติจะชาติในไหนก็ตามที่ผ่านมาก็กองทุกนั่นแหละมันเกิดขึ้น ปัจจุบันในชาติที่เป็นอยู่นี่ก็ก้อนทุกนั่นแหละมันดำรงอยู่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้อนาคตต่อไปก็กองทุกนั่นแหละที่มันจะเกิดขึ้นกองทุกอ น, นั้นไม่พ้นจากนามรูปหรือขันท่าขันท่าถ้าสิบดอายตนะ12ที่ไหลไปตามสังสารทุกนะวัตถทุกก็เป็นไปอยู่อย่างนี้นนก็ไม่สงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบันก็จะละความสงสัย16ประการ อันผู้ที่กำหนดปัจจัยได้อย่างนี้สาวไปหาว่าสังขารธรรมทั้งหลายปัจจุบันเกิดด้วยปัจจัยแม้ในอดีตสังขารธรรมทั้งปวงก็เกิดด้วยปัจจัยอนาคตต่อไปสังขารธรรมทั้งหลายก็เกิดด้วยปัจจัยผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้จะข้ามความสงสัยรูปนามขันห้าในการสได้อันนี้วิธีที่สองนะพิจารณาโดยสาธารณะปัจจัยอาสาธารณะปัจจัย มาดูหน้าสี่สิบเจ็ดข้อหกร้อยแปดสิบสองกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทปัจจัยนยะที่สามพระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งเห็นการถึงเห็นการถึงความชราแห่งสังขารสังขารธรรมทั้งหลายกล่าวคือรูปนามนั้นนั่นแหละและความแตกดับแห่งสังขารที่ชราแล้วความชำรุดสุดโทรมความแก่ชรา แห่งรูปนามทั้งหลายเนี่ยรูปนามขยายออกมาคือขันห้าขยายขันห้าเป็นอายตนะสิบสอขยายอายตนะอาสิบสอเป็นท่าสิบแปดขยายถ้าสิบปดก็เป็นธาตุสี่สบสองเป็นที่ตั้งแห่งสังขารธรรมทั้งหลายรูปนามทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ถ้าชราชราคืออะไรคือโทมเนี่ยนะมันเสื่อมสภาพลงนะุดโทมแล้วก็ในที่สุดก็แตกดับแตกทำลาย ตายไปเมื่อแตกดับแตกทําลายตายไปเนี่ยนะอันนี้เรียกเป็นภาษาธรรมะว่าชราและมรณะสังขารทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละคือชราและมรณะทีนี้ก็สาวต่อไปว่าชรามรณะแห่งสังขารธรรมทั้งหลายรูปนามขันห้าเหล่านี้เกิดจากอะไร ชราและมรณะมาจากไหนสมมติถ้าเห็นความแก่และความตายอนะก็สาวได้เลยเนี่เพราะเกิดนะจึงแก่จึงตายอย่างนี้อันเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเมื่อไหร่ก็สาวบอกความเกิดนี่เลวสามจริงจริงเพราะถ้าหากว่าไม่เกิดซะอย่างเดียวเนี่ยนะความแก่และความตายเหล่านี้จะมีไหมความป่วยเหล่านี้จะมีไหมอันเวลาไปเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาลก็ใส่ใจได้เลยว่าความเกิดนี่เลวร้ายมากถ้าไม่เกิดนะความเจ็บป่วยเหล่านี้ไม่มีรอก ความทุกข์เหล่านี้ไม่มีรอกความผิดหวังความไม่สบายใจความขับแค้นใจความเดือดร้อนใจทั้งหลายไม่มีรอกทุกในการแสวงหาอาหารเป็นต้นไม่มีรอกเพราะความเกิดแท้ๆและเป็นปัจจัยความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านี้จึงมีแล้วความเกิดมาจากไหนหนอความเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากกรรมกรรมนั่นแหละเป็นตัวนําเกิดแล้วทาไมกรรมจึงนําเกิดล่ะ ก็เพราะตันหาและอุปาทานเพราะความยึดถือว่าเราว่าเป็นของเราทําไมเขาจึงยึดถือว่าเราว่าของเราล่ะก็เพราะเวทนาเป็นปัจจัยและเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยมีภาษะและภาษะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอายตนะเป็นปัจจัยและอายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยก็นามรูปนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยอวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยสังขารสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยสาวไปแล้วก็ความเคลาทั้งหลาย ความงู้ความคลาความไม่รู้ความหลงความหลงงมงายความไม่รู้แจ้งแทงตลอดนี้ทุกนี้ทุกขสมุูทยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคขามินีปฏิปทาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตนี้แหละเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยแห่งการทำกรรมกรรมก็นำให้ปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงนามรูปก็อย่างลงเมื่อนามรูปอย่างลง สลายตนะทั้งหลายก็ยังลงเมื่อสลายตนะยังทั้งหลายยังลงก็เป็นที่ตั้งแห่งผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นจึงเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะฉะนั้นความยึดถือนี่มีเวทนาเป็นปัจจัยตันหาบอกว่านั่นของเราอุปาทานบอกว่านั่นอัตตาของเราสรุปว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราความเพลิดเพลินตามทวารต่างๆ ก็เป็นปัจจัยให้ทำกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมเหล่านี้ก็ซัดไปสู่พพสามกาเนิด4ี่คติหวิญญาณทิติเจสัตตาวาส9การเกิดในคันทั้งหลายเป็นต้นก็ย่อปรากฏเกิดขึ้นเมื่อชาติมีชรามชราก็ติดตามพญาทิก็ครอบงำมรณะก็ห้ำหันประหารเอาไปตัดหัวเนี่ยนะ บางทีก็บอกค่อยๆตัดแขนมาออกก่อนนะบางพวกบอกตัดขาก่อนนะแล้วแต่ใช่ไหมเคยเห็นไหมคนไข้บางคนค่อยๆตัดขาไปเรื่อยๆตัดไปจนตายนั่นแหละบางพวกค่อยๆตัดแขนมาก่อนบางพวกก็ตัดที่คอผ่าคอเลยตายเลยเง้บางพวกบอกว่าต้องผ่าท้องสิเนี่ยนะในที่สุดแต่ว่าเหมือนกันหมดคือทุกคนที่อยู่ในโลกนีจริงก็คือนักโทษประหารดีๆนี่แหละนะแล้วแต่ว่าเพชฌคาตคือมัจจุราชจะเลือกประหารส่วนใดก่อน บางพวกก็เริ่มประหารที่ขึ้นจากทางศีรษะก่อนบางทีก็เลือกประหารที่เริ่มตั้งแต่เท้าขึ้นมาบางทีก็เลือกตั้งแต่แขนขึ้นไปบางพวกก็เลือกในช่องท้องก่อนเลือกตับหรือเลือกไตดีบางพวกก็เลือกหัวใจบางพวกก็เลือกปอดเลือกม้ามบางพวกก็เลือกเกี่ยวกับน้ำดีบางพวกก็เลือกเลือกเกี่ยวกับเส้นเลือดบางพวกก็เลือกเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เกี่ยวกับเรื่องลำไส้บางคนก็เลือกที่คอเพราะว่ามีพระรูปหนึ่งท่านเป็นมะเร็งที่คอแล้วก็ตาย มีพระรูปหนึ่งก็บอกโอ้ยเสียงเหมือนพระรูปนั้นเลยกขาบอกเออใช่เลยเสียงของคนเป็นมะเร็งที่คอเขาบอกงั้นมันก็คําเนี่ยนะไม่แน่นะอ้าวที่ไหนบัางเขาเคยถามนะอมีบุรุษพยาบาลคนหนึ่งเขาบอกผมเนี่ยนะผมขึ้นลงขึ้นลงไอ้ตึกมะเร็งเนี่ยเป็นยี่สิบปีเขาบอกงั้นผมไม่เห็นมะเร็งอยู่ที่เดียวคือในหัวใจเขาบอกงั้นที่เหลือผมเห็นหมดเลยเขาบอกงั้นเห็นมะเร็งทั้งหมดเลยในหัวใจคือมันเป็นได้ไม่นานมันตายซะก่อน มันเลยไม่ค่อยเห็นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ย น, นะเรถามหมอเชี่ยวหมอเกี่ยวกับโรคมะเร็งว่าทําไมไม่เป็นอนะ่ะเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นชนิดเดียวก็รีบตายซะ ก, ก่อนก็เลยไม่ทันได้รู้นะแต่สรุปว่ามันโรคมันลงสาเหตุให้ตายได้ทุกแห่งแล้วแต่พยายาทมัจจุราชทีนี้ถ้าสมบูรณ์แบบไม่ไม่ตายสักทีหนึ่งคนอื่นก็ช่วยให้ตายใช่ไหมเอาลูกปืนไปยัดใส่ตามที่ต่างๆบ้างเอาระเบิดไปคว้างแถวที่ต่างๆบ้างตายในที่สุดก็าตาย ดีไม่ดีว่าจะขับรถไปเที่ยวกรนดั้นไปตายอย่างเงนะว่สรุปแล้วว่แล้วแต่นะในที่สุดถ้ากรรมมันให้ผลชรามรณะเล่นงานเชื่อไหมไอ้พวงมาเลยที่เคยขับพาไปไหนได้นั่นแหละชนตายชนพวงมาเลยตายเนี่ยนะถูกรถทับตายบ้างไอ้เสาไฟฟ้าที่มันเคยช่วยนะก็วิ่งไปชนเสาไฟฟ้าซะตายเลยอย่างเงนะไม่น่าเชื่อพร้อมที่จะตายได้หมดบางพวกเอาตัวเนี่ยไปถูถนนซะตายเลยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากรรมมันให้ผลพยาอมัาจุราชจะเลือกเอาไปเนี่ยที่ไหนก็ ที่ตายพระพุทธเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าผู้ที่ทำบาปรกรรมไว้ในโลกต่อให้อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็าตายเคยได้สมัยใหม่นี่ฟังข่าวประจําใช่ไหมตายกลางทะเลประจําตายบนท้องฟ้าเครื่องบินยังชนกันเลยนะอากาศก็ใหญ่โตขนาดนั้นนะเครื่องบินยังบินชนกันได้ไม่น่าเชื่อเลยอนะ่ะก็ยังตายบนฟ้าก็ตายได้มุดเข้าไปอยู่ในดินก็ยังตายอีก นนะเดินอยู่ก็ตายยืนก็ตายนั่งก็ตายนอนก็ตายสรุปว่าเมื่อการเกิดที่เร็วสามีอยู่ความตายก็มีฉันนั้นเนี่ย น, นะก็ความเกิดนี่เร็วมากเร็วถึงขนาดว่าไม่สามารถที่จะให้ผู้อื่นดูได้เนี่ย น, นะไม่เชื่อเขาทำคลอดเขาไม่มีใครเอาไปทําโชว์หรอกเนี่ย น, นะแต่ว่าดีใจมากฉลองวันเกิดแฮปปี้มากจริงน่าจะเครียดมากนะวันนั้นเป็นวันที่โหดร้ายที่สุดเนี่ยนะ เป็นวันที่ส่งนักโทษประหารให้มารับภาระเขากาก็คือกรรมเนี่ยเหมือนกับพระราชาผู้ลงโทษก็เลยนักโทษประหารก็คือวิญญาณ น, นะปฏิสนธิวิญญาณน่ยคือนักโทษประหารก็เลยบอกว่าเอางี้แกไปเลี้ยงมหาพูทธรูปนะเอาปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยคือคือคือนักโทษประหารเอาแกเอามหาพูปไปเลี้ยง อ, อสสรพิษสี่ตัวไปเลี้ยงแต่ แ, แกต้องบํารุงบ้านร้างอยู่หกหกบ้านนะอะไร ตาหูจมออกูกเลนกายใจแล้วก็มีเพชฌฆาตประจําตัวอยู่ห้าคนคอยฆ่านะนะแล้วก็มีอะมิตรกันนะฆ่าศึกภายในอยู่ภายในเนี่ยคือนำที่ราคานะนะวัดตะก็ล่องรอยไปอย่างนี้นะพอคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะคิดตามพระพุทธเจ้าเมื่อไหรเริ่มสงสารตัวเองขึ้นมานะทำไมเราช่างเข่าจริงเนี่ยนะท่านลืมพระพุทธเจ้าเมื่อไรข่าเนี่ยนละยิ่งใหญ่ข่าคือผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะจะลุกจะเดินจะเฮิร์นก็ว่องไวเต็มไปหมดเลยนะ อีกพักหนึ่งก็นอนก็เซร้าก็เศร้พระพุทธเจ้าตรัสจริงแท้เนี่ยนะก็อย่างนี้แล้วัตตะมันจึงยาวนั้นปฏิจจสมุปบาทแบบนี้ยเรียกว่าแบบปฏิโลมการพิจารณาปัจจัยแบบปฏิโลมเนี่ยคือสิ่งที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาในนี้เป็นส่วนใหญ่นะพิจารณาในนี้พระโพธิสัตว์ทุกองค์จะพิจารณาอย่างนี้คือมองเห็นความทุกข์ความยากของผู้ที่เกิดมาในโลก นไอย่างที่ที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเห็นคนแก่แล้วท่านนอนไม่หลับมันนะท่านคิดเนี่ยเ่าโอ้โหนี่มันแก่กันหมดเลยหรือเนี่ยพนางพิมพาต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมนะพ่อของเราก็ต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมญาติของเราทุกคนที่งามๆเหล่านี้จะต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนที่เกิดมาต้องแก่อย่างนี้หมดใช่ไหมท่านก็ไม่คิดเออทุกคนนี่แก่กันหมดเลยนะเนี่ยนะอีกไม่กี่ปีก็แก่กันหมดแล้วเนี่ยนะ ความที่ท่านมีบรรัญญาท่านก็คิดทุกคนนี่แก่อีกวันหนึ่งไปเห็นคนป่วยควรคลางคืดคาดอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่านี่เราก็จะต้องป่วยอย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่แล้วญาติเราจะต้องป่วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่พระนางพิมพาต้องป่วยอย่างนี้ไหมป่วยพ่อของเราต้องป่วยไหมญาติทุกคนป่วยไหมในโลกนี้คนที่เกิดมาแล้วต้องป่วยอย่างนี้ทั้งหมดใช่ไหมบอกใช่โอ้ความเกิดนี่เร็วมากเพราะเกิดนี่แหละจึงแกเพราะเกิดนี่แหละจึงป่วยอีกวัหนึ่งเห็นคนตายเราก็ต้องตายอย่างนั้นใช่ไหมบอกใช่ ญาติของเราทั้งหมดจะต้องตายอย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่พนางพิมพ์พาก็ต้องตายอย่างนี้ใช่ไหมบอกคนในโลกที่เกิดมาอย่างต้องตายเช่นนี้ทั้งหมดโอ้ขึ้นชื่อว่าความเกิดนี่เล็วมากถ้าไม่เกิดสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ตายแบบนี้กันหรอกความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีหรอกเมื่อคืนฟังเขาเพราะว่าเขาสรุปรายการว่าคนที่ตายในโลกเนี่ยนะประจําปีในรอบปี น, นะเขาก็ไล่มาตั้งแต่ตายเพราะอะไรบ้างตายเพราะอะไรบ้าง เพราะอุบัติเหตุทางอากาศทางน้ําทางบกนะแล้วก็ทางวินาศกรรมเนี่ยนะก่อวินาศกรรมพวกระเบิดเป็นต้นเนี่ยนะแผ่นดินไหวน้ําท่วมแต่สรุปว่าตายอย่างนั้นเถอะนะฟังแล้วขึ้นเชื่อว่าความตายนี้ก็เป็นเป็นเช่นนี้แหละสําหรับสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีทีนี้เมื่อความตายเหล่านี้มีอยู่เขาบอกว่าเออมันเกิดจากความเกิดเนี่ยนะ สมมติท่านก็ shirt, เริ่มมาคิดอีกนะความทุกข์ในนรกถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวทุกข์ในนรกจะมีไหมไม่มีเพราะเกิดแท้ๆเลยนะความทุกข์ในนรกจึงมีถ้าไม่เกิดอย่างเดียวจะต้องไปเกิดเป็นปลาไหมไม่มีต้องไปเกิดเป็นเต่าไหมเกิดเป็นตัวเงินตัวทองเป็นต้นไหมเกิดเป็นปรตีนไหมอย่างเงี้ยนะไม่เป็นก็เพราะความเกิดนี่แหละมันพาไปให้เป็นอย่างนั้นไอ้ความเกิดนี่เลวแท้เนะเนี่ย ขึ้นชื่อว่าการเกิดนี้ไม่ดีเลยเขาเกิดความเกิดนี้เป็นเหตุแห่งทุกขสารพัด ท, ทุกที่มีอยู่ในโลกแล้วความเกิดมาจากไหนก็มาจากกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมนะน่าคิดนะสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่คือเหตุแห่งพบใหม่สิ่งที่เราทํานะโดยกรร ม, มปัจจัยนี่เป็นอย่างนั้นความคิดทุกความคิดเนี่ยคือความคิดที่นําไปสู่พบใหม่ทุกคําที่พูดไปก็พูดสร้างพบสร้างชาติ พูดสร้างชาติใหม่ทีนี้ก็มาดูว่าพูดอะไรอยู่โดยมากเละเพราะฉะนั้นพูดเป็นสุจริตหรือทุจริตทําอยู่ทําทุจริตหรือทุสุจริตคิดอยู่เป็นสุจริตหรือทุจริตนั่นคือประตูแห่งสุขคติหรือทุกคติมีพราหมณ์บางคนไปถามพระพุทธเจ้าอะไรเนาะพระเจ้าคะ่ะเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนรกเดรัชานพระองค์ก็บอกว่าความประพฤติไม่สม่ําเสมอความประพฤติไม่เป็นธรรม อันนี้แหละเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาศนรกบางก็บอกไม่เข้าใจเลยบอกขอให้ขยายโดยพิสดานด้วยเถอะผมก็ขยายว่าเพราะความชั่วทางกายทางวาจาทางใจความชั่วทางกายวาจาใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาศนรกความดีทางกายทางวาจาทางใจเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์เราทั้งหลายถ้ามีสติสัมปชัญญะทบทวนชีวิตสัหน่อยที่ผ่านมา อะไรมากกว่ากันบางคนบอกโอ้ยไม่ขอคิดถึงความหลังเด็กขาดอย่างเงี้ยนะแมมคนที่ไม่มีความหลังให้คิดถึงนี่นก็แสดงว่า ห, หนักเอามากนะ น, นะเป็นเอามากอยู่เหมือนกันนะคือนึกแล้วหาความชื่นใจให้แกตัวเองไม่มีเลยนึกแล้วไม่ภูมิใจตัวเองเลยนะก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่บุญแน่ะถ้าเป็นบุญในี่ใครก็อยากนึกใช่ไหมเมื่อตอนนั้นท่านไปทําบุญที่นั้นใช่ไหมท่านไปเจริญกุศลที่นั้นใช่ไหมโอ้ใช่ใช่อย่างเงี้ยภูมิใจใช่ไหม แต่ถ้าทําบาปมาอยากนึกที่นั่นก็ปานาติบาสที่นี่ก็อธินนาทานตรงนั้นก็กาเมสุมิฉาจานตรงนั้นก็ไปหลอกเขาไว้หมดเลยนะไล่ดูไม่มีใครที่ไม่เคยถูเราไปหลอกมาไม่มีอย่างงี้นะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นเข้าเห็นร้านร้านไหนก็โอ้ยไปนั่งจวกเหล้าอยู่ทุกร้านเลยอย่างเงี้นะก็นึกแล้วก็ไม่ภาคภูมิใจอะไรเลยท่านสังสารวัตรนี่จึงเป็นคนน่าเห็นใจน่าสงสาร พอมาบางทียังทำถามอยู่ในใจเลยนะโอ้จะทําบาปทํากรรมให้ตัวเองไปถึงไหนกันเนาะพวกนี้นี่ขาดเมตตาต่อตัวเองสิ้นดีทําเป็นเหมือนผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นรักเพื่อนรักฟูงอย่างนั้นเนี่ยนะทำเป็นพูดไปจริงไม่ใช่หรอกเนี่ยตัวของตัวเองก็ยังไม่รักอะไรเลยเนี่ยทาเหมือนรักผู้อื่นใช่ไหมโอ้ยรักเพื่อนรักฝูงมากความรักแปลเป็นบารีว่าเมตตา เหมือนกขว่ามีเมตตาต่อเพื่อนมากชวนเพื่อนกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนให้เป็นโรคมะเร็งเป็นต้นเนี่ยนะมันจะไปรักเพื่อนได้ยังไงซื้อเหล้าไปฝากเพื่อนบอกรักเพื่อนมากนะนะเออเนี่ยฉันรักเพื่อนมากก็ เ, เลยซื้อยาพิษมาฝากขวดนึ่งเไมฟังดูแล้วมันขัดกันนะดูเหมือนกันนะแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาในโลกก็เป็นเช่นนี้แหละอย่าไปคิดอะไรมาก ทั้งชรามรณะทั้งหลายที่มีอยู่นี่ก็เพราะชาติเป็นปัจจัยชาติก็เพราะกัจกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นตาใ จ, จทําไมเราจึงทํากรรมไม่มีจบมีสิ้นเพราะอะไรเพราะความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็ตาเป็นของตาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราล่ะ หูก็เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราจมูกก็เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราลิ้นก็เป็นเราเป็นอัตของเราเป็นอัตตาของเรากายก็เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราใจก็เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราท่านจะไม่ให้ผมทําได้ยังไงว่างั้นนะนะบางคนก็อ้างนะผมมีปากมีท้องต้องเลี้ยงนะครับผมไม่ทําชั่วยแล้วเอาอะไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผมเนี่ยนะเอาอะไรมาเลี้ยงตาเลี้ยงกายผมผมยังมีลูกมีเมียเอกมีครอบมีครัวจะให้ผมเลิกทาบาปได้ยังไงว่างั้น โอ้ยผมเลิกไม่ได้หรอกก็สโรบาออมิน่าละกายกรมรมวจีกรรมมโนกรรมก็มาจากความถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราพระพุทธเจ้าจึงห้ามนักห้ามนาหนะครับจริงๆเลยนะพระไตรปิฎกเนี่ยพิมพ์นะถ้าเอามาพิมพ์หมดเลยนะไอ้คาว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรากับนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราดูมากจะเหมือนมากเป็นพิเศษด้วยคํานี้นะไม่เชื่อลองไปอ่านดู ไอพี่เป๊เป๊ะก้าวรอก้าไปยานใหญ่เนี่ยนะว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานั่นแหละเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราคือฟังเมื่อก่อนนะว่าฟังแล้วเข้าใจไม่ยากคือฟังแล้วเหมือนรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องใช่มเพราะเราลืมตาเอ้พระพุทธเจ้าบอกว่าตาเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรามันเป็นได้ยังไงเนี่ยเราอยากเห็นนก็เห็นใช่ไหม เห็นแล้วก็ได้เห็นโลกสวยๆงามๆนี่ก็เพราะมีเรามีตานะเราจรึงได้เห็นโลกสวยๆงามๆเห็นดอกไม้สวยๆดูสิเห็นหิ่งพระด้วยเห็นลายกหนกลายทองลายเงินลายเพชรลายพลอยเนี่ยที่มันมีอยู่ในโลกวิจิตพิสดารได้รู้จักคนนั้นได้เห็นคนนี่ดีเหลือเกินเนี่ยนะที่มีตาก็ตาของเราอ่ะเสียหายตรงไหนถ้าเราเห็นอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เก่งกั น, นะเถียงพระพุทธเจ้าเป็นใช่ไหม ก็จริงๆนะตอนที่กิเลสมันเกิดนะโอ้ยมดีหมดเลยนะพระพุทธเจ้าไม่สนใจหรอกนะ mm. พระพุทธเจ้าพูดตรงกันข้ามกับความคิดเราหมดเลยแต่ว่าเราเชื่อความคิดพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าก็ไม่เห็นว่ามันประสบความสําเร็จอะไรซักอย่างเลยยิ่งตามคิดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็อย่างลงเมื่อกรรมอย่างลงชาติก็อย่างลงเมื่อชาติอย่างลง ชรามมรณะก็ติดตามพยาธีก็ครอบงำมรณะก็ห้ามหันกลายเป็นนักโทษประหารชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลเราทั้งหลายประดุดเหมือนกับแม่โคที่เขาจูงไปสู่ที่ข้าเคลืบคลานไปทีละนิดทีละนิดไม่นิดนะบางทีนั่งรถนั่งร้อยยี่สิบนะมันก็ไปเร็วเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ไหมบางทีถ้าเครื่องมันวิ่งอะไรนะ หกร้อกิโเมตรต่อช่วโมงก็สแสดงว่าวิ่งไปหาที่ชาติที่ชราและมรณะไปเร็วเหมือนกันนะนนะก็จริงอ่ะนะฟังโยมขำว่าได้ยินเสียงวอนะเสียงวอขอทางอ่ะนะบอกโยมก็เรียนเสียงว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่เนี่ย น, นะเขาบอนะกงั้นก็น่าคิดดูนะเออมันก็จริงอ่ะนะว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีความแก่ความตายเหล่านี้มีอยู่จริงแต่สัตว์ทั้งหลายไม่ไม่อยากจะยอมรับความจริง ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าคนที่เราเกี่ยวข้องเขาตายเป็นทําใจไม่ได้เนี่ยนะนาทึ่ชินเนาะทําใจไม่ได้โอ้พ่อแม่เราจะต้องตายหรื อ, อทําใจไม่ได้เราขอตายก่อนยังไงหรือเปล่า <S <S พอถึงวันนั้นเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งเวันนี้เราจะคิดอย่างไรพอถึงวันนั้นจะคิดอีกตรงกันข้ามหมดเลยเออแม่ก็ตามอายุไขเดี๋ยวลูกขอเจริญกุศลต่อไปก่อนเนี่ยนะเราจะคิดอีกอย่างหนึ่ง ในพระโยคาวาจรอีกในหนึ่งเนี่ยนะก็ย่อมกําหนดปัจจัยของนามรูปด้วยสามารถแห่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเนี่ยนะลืมตาเราก็ไม่เห็นวันนี้ทุกขหรือเนี่ยที่เห็นก็ไม่รู้ว่า น, นี้จักขูจักขูสมุทยัยจักขูนิโรจักขูนิโรธาโราคามิหนีปฏิปทา หูก็ไม่รู้ว่านี้โสตโสตสมุทัยโสตะนิโรธโสตะนิโรทขามินีปฏิปทาจะโมกลิ้นกายใจก็ไม่รู้มโนมโนนิโรธมโนนิมโนนิโรทขามินีปฏิปทาไม่รู้อริยศาสเลยวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่ทิจาจรณา ไม่เข้าใจอย่างนี้ขึ้นก็เลยทำกรรมทำกรรมทั้งทางกายบ้างทำกรรมทั้งทางวาจาบ้างทำกรรมทางใจบ้างก็ทำกรรมอยู่นั่นแหละกรรมเหล่านี้ก็เลยโยนลงไปในปฏิสนธิอย่าคิดนะว่าคำที่เราพูดแต่ละวันแต่ละวันนำเกิดไม่ได้เกิดได้ไหมนาเกิดได้ไหมสวดมนต์เมื่อกลางวันนี่นำเกิดได้ไหมไ ด, ได้ทำไมจะไม่ได้เนี่ยนะเอางั้นถ้าพูดสวดมนต์นเกิดได้ด่าคนอื่นก็นาเกิดได้สิ พอมาเทียบดูสวดมน์ก็ว่าคนอื่นไหนมากกว่ากันนะนสาธุขอให้สวดมน์มากกว่าเธอเนี่ยน่าจะได้ไปดีกับเขามั่งนะไม่ต้องไปลอกในบ่อปลามันเยอะแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปแย่งมันอยู่รองบอกกันนิดเดียวเนี่ยนะไข่ออกมาทีละเยอะๆเลยนะแย่งกันอยู่เต็มจริงๆเลยเน่ยอมเขาเล่าว่าเพราะพันกบตัวหนึ่งเนี่ยนะกบหนึ่งตัวนี่มันออกไข่มาทีงหลายพันฟองหลายพันตัวเนี่ยนะกบตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งได้เป็นร้อยเป็นพันแล้วหอ แล้วมันก็ไม่ค่อยกบเป็นหมันก็ไม่ค่อยมีซะด้วยเนี่ยนะมันก็เยอะเะมากวัดตะมันจึงยาวปลาเป็นหมันก็ไม่ค่อยมีเนี่ยนะถ้าเลี้ยงอาหารดีๆเดี๋ยวก็เต็มบ่อหมดเพราะน้ะไอกรรมที่เราทำเนี่ยจึงโยนนําไปสู่พบใหม่ตายแล้วพบแล้วพบเราพบแล้วพบเร่า น, นะพอปฏิสนธิณที่นั้นๆนะนะพอไปเกิดณที่นั้นๆนามรูปก็หยั่งลงใช่ไหมตอนนามรูปหยั่งลงก็ รูปมันก็โตเอาโตเอาเพราะมีอาหารใช่ไหมพอรูปได้รับอาหารก็เลี้ยงก็โตเอาร่างกายก็เจริญเติบโตเมื่อร่างกายเจริญเติบโตก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีภาวะรูปทั้งหลายก็เปลี่ยนไปพอมีตาไปทําอะไรก็ไปเสวยพัรษะเวทนาเพื่อให้เกิดตัณหามีหูก็ไปเที่ยวแสวงหาพัรษะเวทนาเพื่อให้มีตัณหามีจมูกก็ไปหาพรรษะเวทนาเพื่อสร้างตัณหามีลิ้นก็จะได้มีพัรษะเวทนาเพื่อ เจริญตัณหามีกายก็เพื่อได้ไปหารับกระทบโพธิภพเพื่อพรรษะและเวทนาจะได้เพิ่มพูนตัณหามีใจก็ต้องไปคิดหาแต่เรื่องที่เราชอบคิดเนี่ยนะไอ้เรื่องที่ดีก็ไม่ค่อยชอบคิดด้วยนะไอ้คิดแต่เรื่องเะไรไม่ค่อยดีอย่างเงี้นยนะเช่นนะคิดว่าคุกคนมีความดีอะไรบ้างไม่ค่อยอยากคิดนะแล้วคนตรงนั้นเขาเลวยังไงบ้างเนี่ยเราคิดเห็นง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตัณหานี่มันไม่ค่อยพาคิดเรื่องดีสักเท่าไหร่พาคิดแต่เรื่อง ไม่ดีถามว่าเมื่อมันคิดอย่างนั้นบ่อยๆมากๆเข้าจะไปไหนเนอะเนี่ยนะสมมติถ้าใครคิดอะไรนะเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็เอาสิ่งนั้นมาพูดนะ น, นคือเหมือนกับว่าเก็บความคิดตัวใดไว้เยอะๆนะเก็บไว้เดี๋ยวก็พูดแป่งออกมาจนได้เพราะฉะนั้นถ้าได้ยินใครพูดคาใดคาหนึ่งขึ้นมานะให้รู้ว่าคนนั้นคิดเรื่องนั้นมานานแล้วเนีนะหาโอกาสหาจังหวะนะ กว่าตะเบงออกมาเช่นคนทะเลาะกันน no, anyway. no, ี่จะเก็บความเลวได้มาเล่าเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากดาได้สามวันไม่จบเนี่ยนะก็แสดงว่าได้เก็บความเลวของเขามานานแล้วเนี่ยนะเก็บความเลวของคนอื่นมานานแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เพิ่งเลวหรอกเลวมานานแล้วมันก็เลยสามารถเอาความเลวของคนอื่นมาพูดท่านเลวลากเลยยิ่งพูดความคนอื่นว่าเลวมากอนะก็เหมือนกับว่าลงไปละเลงด้วยไม้ด้วยมือตัวเองเนี่ยตัวเองจะสะอาดนักหรืออย่างไรก็อย่างนั้นแหละเนี่ย แล้วก็ทํากรรมไปก็สร้างแต่เหตุแห่งทุกข์ให้ตัวเองนั่นแหละถามว่านรกในี่ใครไปเกิดพระพุทธเจ้าไปเกิดแทนเราไห ม, ไ, มไปองไม่ไปแล้วรองพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตานรกถ้าเราทําชั่วผู้นั้นก็ไปแต่เพียงผู้เดียวนะ่นไงดีไม่แน่นันบางทีก็ไปเป็นฝูงเลยใช่ไหม <laughs> ไปเป็นฝูงเลยนะมันเวลาทำครามชั่วนี่ก็ทําเป็นเป็นพวกๆ ก, กันนะแต่ถ้าไปสเสวยผลไม่ดีนี่ไปเป็นฝูงเลยนะ ก็ดูเดี๋ยวเนี่ยวันที่สองจะชวนให้อาหารปลาจะไปรู้จักว่ามันไม่ใช่น้อยๆ น, นะมันเยอะมากเลยนะต้องถาม ว, ว่าอาหารปลาเลี้ยงแค่ไหนจะพอบ่าขนไปสิบล้อหนึ่งั่นแหละจินจะพอกินปลามันมากขนาดนั้นนะนะอบายภูมินีมากขนาดนั้นเลยก็นี้ขนาดแกล้งใครอาหารไว้บกๆหน่อยนะมันยังขึ้นมาหากินอีก <c oughs> ม, มากขนาดนั้น <c oughs> หเห็นแล้วอย่าเพิ่งเป็นลงก็แล้วกันอบายภูมินีเยอะมากๆเลยนะ แต่ในมนุษยภูมิก็เบาเสมอเลยนะเนี่ยอย่างเขาบอกว่าโอ้เนี่ยเมื่อเทศกาลปีใหม่นะที่หัวลำโพงที่หมอชิดเนี่ยคนเต้ไปหมดเลยก็บอกว่าที่อินเดียนะมันมีแบบนั้นทุกวันสถานีรถไฟกาลกาต้านะั้นมันมีอย่างนั้นทุกวันอนะ่ะมันไม่เฉพาะเทศกาลปีใหม่นะนะใช่ไหมยมชินไม่เคยขึ้นรถไฟอินเดียหรอเคยขึ้นไหมเคยนั่นแหละบอกว่าโอ้โหมันเทศกาลทุกวันนั่นแหละ วุ้เราก็ว่าเราไปพวกมากแล้วตั้งสามสิบคนเนี่ยพอไปถึงนั่นนะโอ้ยไหนพวกเราอยู่ไหน <laughs> จะหลงพวกหลงฝูงก็ไปหมดเนี่ยนะเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะเยอะมากมเลยนี่เอาไมนุษสภูมินะเยอะขนาดนี้ก็คนอินเดียเนี่ยถ้าจดทะเบียนหมดเนี่ยนะคือคนอินเดียน่าจะขึ้นทะเบียนราษไม่หมดทุกคนหรอกเนี่ยนะเพราะามันมากจริงๆในะเชื่อถามคุณมาริวันดูเหะเนี่ยนะเยอะมาก นะไปแย่งกันอยู่เออัดกันอยู่นะอู้เต้เไปหมดเลยนะสถานีรถไฟเป็นต้นเนี่ยตเต้ถ้าเขามีงานนะคนบ้านเราอุ้ยไปเป็นหมื่นของเข้าไปเป็นล้านนะนะอย่างเทศกาลนะกลุมพาเมล่าอะไรของเขาเนี่ยไปหลายสิบล้านนะงานของเขางานหนึ่งไปเป็น10บสิบล้านเนี่ยนะคนมันมากขนาดนั้นเข้าไปในหมู่บ้านตอนเย็นๆเถอะยังมีหนังกลางแปลงกันเละนะตามถนนยังมีหนังกลางแปลงในทุกสายถ้าผ่านหมู่บ้านเนะี่ยมันใครอย่าไปคิดขับรถข่วงกลางคืนเด็ดขาด อย่าไปคิดเดินทางช่วงหัวค่าเนี่ยนะโอ้ยไม่ชนกันตายก็ยกบุญทักบุญหนาแล้วไม่รู้รอดกันได้ยังไงไม่ทราบอนะถ้าใครนะถ้าโชเฟอร์มือดีๆเนี่ยนะถ้าขับผ่านอินเดียมาแล้วเนี่ยขับได้ทั่วโลกเพราะที่นั่นเนี่ยถ้าขับตลอดในระยะสิกิโลแล้วไม่ตายสักคนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเก่งมากเนะ น, นะฝีมือจริงๆเลยนะมากจริงเออาจยัดเยียดเนี่ยนะนนถ้าจดทะเบียนราชหมดคงพันกว่าล้าน จีนนี่ก็พันกว่าล้านใช่ไหมของเราแค่หกเจ็ดสิบล้านเองไม่มากอะไรเลยแล้วในโลกนี้ห้าหกพันล้านมนุษย์นี่แออัดยัดเยียดอยู่ขนาดนี้แต่ว่าทรัพยากรมันลดลงทรัพยากรมันไม่ค่อยพอคือดึงเอาน้ํามันมาใช้เกือบหมดดึงเอาพลังงานมาใช้เกือบหมดแล้วมีอะไรก็ขุดออกมาหมดพอขุดเข้ามาม า, มากนานๆเข้าอนาคตทรัพยากรโลกมันหมดถ้าทรัพยากรโลกหมดจะทําไงกัน เขามีการพยากรณ์ว่าต่อไปเอเชียนี่จะเป็นทะเลทรายเพิ่มขึ้นนะพื้นดินจะเป็นทะเลทรายลดการเพาะปลูกเป็นล้านไร่เนะเพราะอย่างอย่างเช่นอินเดียเนี่ยนะหลายๆแห่งเขาทํานามาเป็นพันๆปีสมัยพระพุทธเจ้าที่ตรงนั้นก็ทํานาตอนนี้ก็ยังทํานาเพราะจุดแถวนั้นเป็นทะเลทรายขึ้นเยอะผลผลิตจะไม่ได้มากอย่างแถวบ้านเราแถวภาคอีสานหลายแห่งเนี่เริ่มจะเป็นทะเลทรายแล้วนะหลายๆแห่งเนี่ยนะเพราะมีแต่ทราย อันนั้นนาลาอะละแห่งเป็นแต่ทรายเนี่ยปักไม่ลงในมือนี่แข็งกระด้างเลยนะปักไม่ค่อยจะลงมีแต่ทรายอนาคต ต, ต่อไปก็จะเป็นแบบทะเลทรายแถวแบบคล้ายๆตะวันออกกลางนะมั้นประชากรโลกจะเดือดร้อนประมาณพันล้านคนเพราะอาหารไม่พอจะกินกันอนาคตต่อไปมันเป็นอย่างนั้นก็ก็มีการพยากรกันคือดูจากลาดเราทําเลความเป็นไปแล้วฝนต้องฝนตกก็ไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลอย่างปัจจุบันเนี่ยโอใครที่เกิดมาชาติใหม่เนี่ยนะโอ้ยมี มีน้ำตาเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะอาบเลือดเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะอาบเลือดชุ่มด้วยน้ำตาแล้วก็เที่ยวสแสวงหาแย่งกันทำบาปนะพันวัตตะก็เป็นไปอย่างนี้แลถึงขนาดนั้นก็แย่งกันเกิดเลยเชื่อทางไปศึกษาพระธรรมเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานมีอยู่ไม่กี่แห่งแล้วนี่เดียวอนะทางโล่งหมดเลยแต่ทางตรงกันข้ามเนี่ยเต็มแย่งกันไปกลัวจะไม่ได้ไปกับเขาถ้าขอให้ตั๋วไปเที่ยวกับ นะให้เวลาไปฟังธรรมเนี่ยขอเลือกเอาไหนก่อนไม่แน่นะวันนี้ปอมานั่งอยู่ตรงนี้นะบอกเลือกเอาฟังธรรมก่อนนะตอนที่อยู่ที่บ้านอาจจะคิดอีกคนละอย่างก็ได้ น, นะแล้วยิ่งแหมไปกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยนั้นสังสารทุกเนี่ยนะมันก็เป็นไปด้วยประการชนี้และการคิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะการพิจารณาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อย แต่เป็นการพูดเพื่อกำหนดต้นตอต้นเหตุของวัตตะ